ทรงปรารบท่านพระฉันนะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระฉันนะแพลวถางพื้นที่สร้างวิหารสั่งให้ตัดไม้ลุกคเจดีต้นหนึ่งในวิหารการศิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐาน หกสมุดฐาน